ตอนที่สิบห้าหนิวซูเฟิร์นคิดจะขายนาฬิกานางกินเขาบอกให้หลีชิงผิงกลับมานางก็จะกลับมางั้นหรือหากผู้หญิงคนนั้นยอมฟังคำพูดของเขาแต่แรกก็คงดีโจจี้เยี่ยเขมวดคิ้วแน่นแม่ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องผมถามอะไรแม่ก็ตอบมาตามตรงเถอะมีอะไรหรือเจียนเยี่ยหนิวซูเฟินสังเกตเห็นท่าทางจริงจังของลูกชายจึงอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประมาะขึ้นมาเกิดเรื่องอะไรขึ้นงั้นหรือ หลีชิงผิงช่วยชีวิตคนคนหนึ่งไว้แถมคนคนนั้นยังเป็นถึงผู้นำในเขตทหารของเราเรื่องนี้แม่รู้ไหมครับไม่รู้เลยหนิวซูเฟินสายหน้าด้วยความมุนงงหลีชิงผิงไปช่วยคนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่โจวเจี้ยนเย่ยขมวดคิ้วถามต่อแม่ไม่ได้ยินข่าวคราวอะไรในหมู่บ้านเลยเหรอไม่มีนะหนิวซูเฟินยิ่งงงเข้าไปใหญ่ลูกเอ๋ยอยู่ดีๆถามเรื่องนี้ทําไมหรือว่าที่หลีชิงผิงไปในเมืองครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับคนที่นางช่วยไว้ ครับเกี่ยวข้องกันถ้าไม่มีหนังสือแนะนําตัวนางไม่มีทางไปได้หรอกโจเจี้ยนเยี่ยมไม่เข้าใจว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นมาอย่างไรกันแน่หนิวซูเฟินกรอกตาไปมาทันใดนั้นก็นึกอะไรขึ้นมาได้แม่รู้แล้วลีชิงถิงไม่ได้หาข้ออ้างโม่โมเพื่อไปหาชู้รักหรอกนะที่บอกว่ามีบุญคุณช่วยชีวิตจริงๆแล้วทั้งคู่ออบคบชู้กันมานานแล้วละสิลูกเอ๋ยช่วงที่ลูกไม่อยู่บ้านลีชิงถิงกับหลีหวานสองแม่ลูกนั่นเกือบจะเอาชีวิตแม่กับน้องสาวลูกแล้ว พวกนางผาักพวกเราลงไปในแม่น้ำโดยตรงเลยดีนะที่พวกเราดวงแข็งไม่อย่างนั้นลูกกลับมาครั้งนี้คงไม่ได้เห็นหน้าพวกเราแน่ๆน่นิวซูเฟินชิงฟ้องก่อนโดยโยนความผิดทั้งหมดไปที่หลีชิงผิงนาง ด, าด่าทอสองแม่ลูกหลีชิงผิงอย่างรุนแรงก่อนจะโผลเข้ากอดโจเจีเจ้เยเ่ยแล้วร้องให้อย่างน่าสงสารฮือฮือตอนนี้ดีแล้วในที่สุดลูกก็สลัดหนึ่งแพศยาหลีชิงผิงนั่นหลุดเสียทีต่อจากนี้ก็คบหากับเคอเคอให้ดีๆีรีดแต่งงานแล้วมีหลานชายตัวน้อยให้แม่เร็วๆนะ แม่ครับตอนนี้ผมยังไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้โจเจียนเย่ยต่อปัดอย่างรำคาญใจไ ด, ได้ลูกไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรนานๆนานลูกจะกลับมาบ้านสักทีพวกเราอย่าพูดเรื่องที่ไม่สบายใจพวกนี้เลยเดี๋ยวแม่ไปทำบะหมี่ให้ลูกชามหนึ่งกินเสร็จจะได้พักผ่อนคําพูดของโจเจียนเย่ยตรงใจหนิวซูเฟินพอดีนางเองก็ไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องของสองแม่ลูกหลีชิงผิงกับหลีหวานอยู่แล้วเดิมทีเขาคิดว่ากลับมาครั้งนี้อย่างน้อยก็น่าจะทําเรื่องราวให้กระจ่างได้บ้าง แต่ผลลัพธ์ตอนนี้กลับยิ่งวุ่นวายไปหมดโจเจี้ยนเยี่ยกลับเข้าไปในห้องมองดูเฟอร์นิเจอร์ที่คุ้นเคยในใจยิ่งรู้สึกหมุดหนิดพี่คะทันใดนั้นเสียงที่เต็มไปด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจก็ดังขึ้นโจเจี้ยนเย่ยงในหน้าขึ้นมองเห็นน้องสาวโจชุนหงมีอะไรหรือเปล่าที่ขมีเรื่องคะโจชุนหงขอบตาแดงกับเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางหน่าสงสารที่ต้องหาทางเอาเงินสองพันหยวนในมือหลีชิงถิงกลับมานะ เงินนั่นไม่เก็บไว้ให้พี่ใช้แต่งเมียถ้าเอาคืนมาไม่ได้แล้วตอนที่แต่งงานกับพี่เคอเคอบ้านเราไม่มีเงินให้แม่เขาเขาจะขายฉันให้แต่งงานกับคนอื่นเพื่อเอางเงินมาตอนแรกหนิวซูเฟินยอมตกลงให้เงินหลีชิงผิงสองพันหยวนก็เพื่อให้ยอมอย่าแต่โดยดีแต่จริงๆแล้วนางคิดจะหาทางเอาเงินคืนทีหลังทว่าหลีชิงผิงกลับพาหลีวันหนีไปเงินสองพันหยวนนั่นจึงหายว่าไปกับตา นางนึกว่าสองแม่ลูกนั้นหนีไปบ้านตระกูลหลี่ช่วงที่ผ่านมาหนิวซูเฟินจึงพาน้องสาวไปหาเรื่องบ้านตระกูลหลี่อยู่บ่อยครั้งแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายเสียเปรียบทุกทีตอนนี้โจชุนหงถูกตีจนขยัดไปหมดแล้วครั้งก่อนที่ไปหาเรื่องแล้วแพ้กลับมาหนังศีสระที่ผมแหบ่งไปตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลยเงินสองพันหยวนยังไร้ร่องรอยหนิวซูเฟินก็รีบร้อนอยากให้โจเจี้ยนเย่แต่งงานใหม่จึงเกิดความคิดที่จะส่งลูกสาวออกเรือนไปก่อนเพื่อหาเงินเข้ามือ พอโจชุนหงได้ยินก็ไม่พอใจใครให้สินสอดสูงก็จะให้แต่งกับคนนั้นเห็นนางเป็นอะไรเป็นสินค้าหรือไงไม่หรอกโจเจี้ยนเย่ยกมือขึ้นตบบ่าน้องสาวเป็นการปลอบโยนพร้อมกับโอบนางไว้ในอ้อมแขนแม่คงแค่พูดไปอย่างนั้นเองไม่ขายเธอแต่งงานส่งส่งหรอกยิ่งไม่ขายลูกสาวเพื่อเอาสินสอดแน่ๆส่วนเรื่องเงินสองพันหยวนของหลีชิงผิงโจเจี้ยนเย่ยลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าเงินนั่นช่างมันเถอะ ลี่ชิงผิงแต่งงานกับเขามาหลายปีไม่ว่าการอย่างครั้งนี้จะเป็นความผิดของใครหากว่ากันตามความยุติธรรมแล้วนางก็ควรได้รับเงินสองพันหยวนจริงๆรยิ่ ง, งไม่ต้องพูดถึงว่าในนั้นรวมค่าเลี้ยงดูเสียหวานไว้ด้วยพี่เงิน2องพันหยวนจะปล่อยให้หลี่ชิงผิงได้ไปฟรีฟรีอย่างนี้เหรอโจชุนหงได้ยินดังนั้นก็อารมณ์พรุ่งพลานขึ้นมาทันทีไม่ได้ น, น, นาฬิกาข้อมือที่แม่เคยรับปากว่าจะซื้อให้ฉันก็ยังไม่ได้ซื้อเลยนาฬิกาข้อมือแววตาของโจจีน้นเยี่ยวไหว้วูเขาจับใจความสำคัญจาาากนน้้้เเสสียยงงงงของออวววไดด่รร็ หมายความว่ายังไงก็คนอื่นเขามีนาฬิกาข้อมือกันหมดแต่ของพวกนั้นมันยี่ห้อโนเนมแม่รับปากว่าจะซื้อยี่ห้อดังจากต่างประเทศให้ฉันเรือนละตั้งร้อกว่าหยวนแน่เจ้าชุนของพูดออกมาโดยไม่ลังเลผลคือตอนนี้นาฬิกาก็ไม่ได้แถมแม้แต่เรื่องแต่งงานของนางก็อาจจะถูกขายอีกด้วยนาฬิกาเรือนละร้อยกว่าหยวนซื้อมันจะมีประโยชน์อะไรกินก็ไม่ได้ดื่มก็ไม่ได้เงินนั่นน่ะพอใช้เป็นค่ากินอยู่ของคนทั้งบ้านได้ตั้งหลายเดือนเลยนะ โจเจียนเย็ดุด้วยสีหน้าจริงจังอย่าไปแข่งดีแข่งเด่นกับคนอื่นเลยถ้าอยากได้จริงๆรอให้เธอทำงานมีเงินเก็บเองแล้วค่อยซื้อไม่เอาทำไมคนอื่นมีแล้วฉันจะมีไม่ได้ละ่ะอีกอย่างแม่ก็รับปากฉันแล้วด้วยโจชุนของเริ่มอัลวาดเล็กน้อยโจเจียนเย่เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องแม่ของเขาจะยอมควักเงินร้อยกว่าหยวนออกมาซื้อนาฬิกาให้น้องสาวอย่างง่ายดายขนาดนั้นเชียวหรือ ทั้งที่หลี่ชิงทิงกับหลี่หวานสองแม่ลูกใส่เสื้อผ้าเก่าๆมาตั้งหลายปีมีแต่รอยปะซ้ําแล้วซ้าเล่าหนิวซูเฟินยังเคยว่าหลี่ชิงทิงว่าใช้ชีวิตไม่เป็นแต่แม่ของเขาทําแบบนี้เรียกว่าใช้ชีวิตไป็นงั้นหรือที่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้โจ้าเจี้ยนเย่ย ป, ปฏิเสธเสียงแข็งอีกครั้งพอดีกับที่หนิวซูเฟินยกบะหมี่มีเขือเทศใส่ไข่ที่ทําเสร็จแล้วเข้ามาในห้องมากินบะหมี่ก่อนลูกที่ฉันเกลียดพี่ที่สุดเลยโจ้าชุนหงฮุ่ยฮัตด้วยความโกรธก่อนจะสะบัดหน้าวิ่งออกไป เฮ hey, นางเด็กคนนี้พูดกับพี่ชายแบบนี้ได้ยังไงนิวซูเฟินดุตามสัญชาตญาณโจเจี้นเยี่ยมีสีหน้าไม่พอใจแม่ครับแม่จะตามใจชุนหงทุกเรื่องไม่ได้นะนิสัยชอบอดรวยแข่งกับคนอื่นไม่อยากให้มีนางอยากได้นาฬิกาเรือร้อยกว่าหยวนแม่ก็รับปากนางไปตรงๆแบบนั้นเลยเหรอเปล่าแม่แค่พูดหลอกให้นางดีใจเล่นไปงั้นเองลูกรีบกินเถอะมีอะไรไว้กินเสร็จค่อยคุยกัน รอยยิ้มที่มุมปากของหนิวซูเฟินแข็งค้างไปทันทีนางรีบเดินเลี่ยงออกไปอย่างลนลานโจวเจี้ยนเ ย, ย่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ต่อเขาจดจ่ออยู่กับการกินบะหมี่ที่รสชาติจิตชื่อไรรสชาติหนิวซูเฟินเดินออกไปสั่งสอนโจวชุนหงทันทีนังเด็กบ้าปากไม่มีหูรูดเรื่องอะไรก็กล้าพูดออกไปหมดทั้งที่ตกลงกันแล้วว่าเรื่องนี้ห้ามบอกเจี้ยนเ ย, ย่เด็กขาดโจชุนหงร้องให้อย่างหนักฉันดูออกแล้วละมีแค่พี่ชายคนเดียวที่เป็นลูกแท้ๆของแม่ส่วนฉันน่าไม่ใช่ แม่ยอมทุ่งเงินแต่งเมียให้พี่แต่กับฉันแค่ซื้อนาฬิการ้อยกว่าหยวนแม่กลับไม่ยอมแถมพอที่บ้านไม่มีเงินแต่งเมียให้พี่แม่ยังจะขายฉันกินอีกชีวิตฉันมันช่างอาภัพจริงๆแกพูดจะเหลวไหลอะไรตรงนี้ฉันเคยบอกว่าไม่ซื้อนาฬิกาให้แกเมื่อไหร่นั่นมันเป็นเพราะหลีชิงผิงเอาเงินสองพันหยวนไปหมดตอนนี้ที่บ้านเลยไม่มีเงินซื้อให้แกต่างหาก